มันเหมือนรถบรรทุกของหนักนนะมันอืดอาดมันเหนือยหนายมันช้าอยู่นั่นแหละอะไรๆก็ต้องช้าเพราะมันเกี่ยวโยงกันทั้งวัดเนอะาจะเจรจาอยู่สะดวกสบายดีสะดวกใ น, นการภาวนาอันนี้มันก็ต้องเป็นตามปัญยาใสเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์ มันเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้พยุงจิตใจว่าไม่น่าแม้จะยังไม่ได้หลักได้เกณฑอะไรมันก็อาศัยกูวาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหมือนแม่เหล็กเเครื่องดึงดูดให้มีความทุ่มเนเพราะความหวังนั้นเป็นสาคัญออกไปจากท่านมาแล้วมันอะไรผมนี่เป็นมาแล้วน ะ, ะว่าตั้งหน้าตั้งตาจะ มีหมายถึงเวลามันยังไม่ได้หลักคือสมาธินะภาวนาอะไมันก็ไม่ได้เรื่องเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้จิตใจเรานี่ถ้าอยู่อย่างนี้ไปมันก็ไม่นานมันจะจมแน่ๆนี่ต้องกลับพอหาภูวาจัน อยกัท่านมันก็เป็นอีกอย่างนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้สบายตั้งๆั้งดีมันก็ไม่ได้หลับได้เกินนะมันอยู่กับครูว า, าจาดใส่ยึดท่านในทางจิตใจมีผมเป็นแล้วทำยังไงมันก็ไม่ได้เลือกภาว น, นาก็อ้าวย้งก็ไม่ได้เลือกยิ่งกว่ามันได้หลับได้เกินแล้วทีนี้ไปไหนก็พอไป น้อมีจิตเป็นสมาธิเป็นหลักมีหลังเกณฑ์นั้นมันพอไปของมันพอสู้ของมันคือต้นทุนมันมีถึงความยบาบยการท่านั่นปัญญาไม่เกิดก็อาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดูได้โดยสมาธิคือความสงบใจไม่พุ่งเพ้อเหือมันแต่ก่อนที่มันไม่มีหลักมงเกณฑ์ น, นี่อนหนึ่งือเยอะนะครับไล่ท้าส่งให้หมู่เพื่อนไปอยู่ที่นั่นที่นี่คนเดียวสบายอันนี้มันก็ไม่แน่ใจใน จิตใจของหมู่ั้วนก็จะมีความกระเัด่ยกคารักษาตัวได้เพียงไรแม้แต่อยู่ด้วยกันนี้ก็ยังได้ดุได้ด่ากันอยูความผิดความพลาดพราะความไม่คิดไม่อ่านมีอยู่มากนี่อันหและจจริงจังแค่ไหนเราก็ไม่แน่ใจอีกนี่ก็เลยตกลงก็พึงพลังกันอยู่นี่จะว่าไง ตอนได้หล่าได้เกณฑ์แล้วนีตีเดินกล้าทางปัญญาแล้วมันไปอีกอย่างนะมันหมุนมันติวต้วติ้วติว้วั้ก็เกิดข้อความใจขึ้นมาจะของแจม้มาได้มันก็คิดถึงครูบาอาจารย์คือไม่ให้มันเสียเวลาไปนานวิ่งมาาท่านเพรามาท่านพราะเล่าถวายท่านนั้นท่านใส่เตี้ยงเดียวเท่านั้นมันขาดตะบ้านไปเลยนะเพราะท่านรู้ไปแล้วนี่ เราไม่รู้ไม่รู้ทางออกทางเข้าไมา่รู้วิธีปลดเครื่องจะปลดยังไงปัญหาแะ่ละอย่างอย่างที่มันเกิดขึ้นมานั้นก็คือสมูกไทยเข้ามาขวางทำนั่นเองปัญญาเราไม่สามารถที่พิจิตรแก้ได้มันก็ต้องวกต้องเียนพลิกไปพลิกมานี่ไม่เสียเวลาพอไปเล่าถวายท่านนล้วท่านใส่เปี๊ยงเดียวเท่านั้นขาดสะ บ, บ้านไปเลยนั่นนันต่างกันนั่นนะหากว่าไม่มีครูผู้อุจารกิงมันก็หักแน่ใจว่ามันจะเป็นประด้แต่มันช้าเลย เราเห็นได้เวลาพรูแม่ครูอาจารย์ท่านร่วงรับไปแล้วนั่นอ่ไม่มีใครแล้วที่นี่เราคนเดียวเป็นก็เป็นตา ก, ก็ตายนี่มือนนั้นมันก็ะหมูก็มาช่วยตัวเองเหมือนกันในขั้นขั้นนี้ก็เป็นเป็นความช่วยตัวเองมันได้อีกขั้นหนึ่งเช่นเดียวกับที่เวลาเราจอกรอกเป็นมุมอย่งที่เคยเล่าให้ฟังมันก็ช่วยตัวเองมันมันรันกชาตอนนั้นแหละ มันดิ่นมันดิบไม่หยุดไม่ถอยก็บรรดาคันนี้ไม่ถอยแหละช้าหรือเร็วมันก็เอาันอย่างนั้นมันก็ทะลุมันไปได้แต่ยังไงก็ตามเรื่องครูอาจารย์เป็นสําคัญมากทําให้กระทัดรัดเข้าไปเรื่อยเรื่ยที่รวดเรือราบรื่นไปนี่ต้องทางน่าจิตใจจึงสําคัญมากสำหรับครูอาจารย์ผูกปอยให้ไว หรือเอาทำสูตรสี่สูตรห้ามาสอนกันนั้นไม่ได้นะเนอเดือนจบประไตรปิดดกปิดอกก็เถอะถ้าลงหินนี้ไม่ได้ทรงอาจทรงทำประจักษ์ใจถุนแล้วจะสอนไม่ถูกถ้ายกยาก็ยกกันทั้งหินหมอเถื่อนคนไข้าลายใดมาก็จะยกยาทั้งหินทุ่มกันเลยมันตายตอนนั้นนะคนไข้ไม่ได้เหมือนหมอเนี่ หมอเขาไม่จาเป็นต้องไปยกกันมาต้องฉีดทั้งตูวเลยเป็นยังไงถามอาการแล้วมันเขารู้แล้วคนฉีก็ฉีดวันให้ยารับทานก็ให้เท่าที่เห็นว่าเหมาะสมกับโรคประเภทนั้นๆเท่านั้นนี่มีครูบาอาจารย์ที่คอยให้อุบายเราก็ลงในจุดสาคัญน้าคันทันทีทันทีเลยนี่ยความผ่านมานี่ต่างกันหนี่งอิศรจิตนี่ พอทั้งเล่าคุมาภาพอันนี้ท่านรู้แล้วท่านเคยมาสกเท่าไหร่เป็นมาเท่าไหร่แล้วถ่ายปั๊บเยอะค่ะท่านนี่ที่สำคัญให้ผู้อื่นได้กาลังของด้านจิตใจให้ได้เห็นเรื่องโทษของกิเลสอินแสนทําให้แสนทุกแสนทรมานไม่มีอะไรเกินกิเลสในโลกทั้งสามสมันไม่เห็นโทษของมันที่มันปิดเอาไว้หมด อันนี้สิมันลําบากมี่ครูบาอาจารย์ช่วยเปิดช่วยเผยให้มันก็นยังสู้กิเลสมันรมล้อมเ อ, อกไม่ได้อยู่นั่นเลยเหมือนกับเอาจอกแหนขึ้นจากน้ำพอแหวกออกมันก็หกกุบเข้ามาแหวกออกมันก็ไหลเข้ามาหกกุบเข้ามาอยู่นั่นถึงขั้นปัญญาแล้วไม่เพียงว่าแหวกออกนะจับโยนขึ้นบนฝั่ง โ ย, โยนขึ้นโยนขึ้นโยนขึ้นมันจะมีจอกมีแหนมอะไรเนี่ควา ม, มาปาขึ้นฝั่งให้หมดเหลือแต่ น, น้ําใสสะอาดเหนืนกอกระยู่มันไม่หมดมันไม่มีปัญหาอะไรปัญหาทั้งมวลเกิดจากคิดเดียอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อคิดเดียวมันสิ้นสร้างไปจากใจแล้วอะไรมาบินมาหาไม่มีโลกสามโลกก็ท่านนมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ไปยุ่งมัน จิตเองก็พอตัวอยู่แล้วจะประยุ่งกับอะไรเนี่ยฟังสิพอตัวกันอยู่แล้วดิดีตลอดมันหว่าการนั้นสถานนีอิยดีบทนั้นยาบุนี้กระทบนั้นเป็นนั้นพรานี้อะไรกระทบอะไรมีเชื่องสัมผัสกันแยบแยบก็บวิญญาณเหมือนวิญญาณเกิดดับเกิดดับกิดดับเท่านั้นคุณรู้เรื่องมันอยู่แล้วนะ มันมีเขาปูกเป็นเจ้าของเขาไปยึดแค่อย่างเดียวเจ้าอำนาจเขาไปยึดอย่างเดียวขันก็เป็นขันร้วนดังที่ว่าแรงอย่างนั้นากาบธรรมชาติอัองนันแม้ตัวมันเองมันก็ยังมีความหมายในตัวมันันรู้ชาติชาติมันแล้วไปอย่างนั้นอย่างร่างกายของเราที่นั่งอยูน่นี่มันก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายได้ดีเละมันไม่ได้ผิดกัน เป็นเพียงว่าความรู้ไปเป็นเจ้าของไปเป็นผู้รับผิดชอบใช่มันอยู่เท่านั้นเองอ น, นั้นลูกนั้นตาให้มีหน้าที่เห็นรูปเนี่ยหูมีหน้าที่นั้นทางออกนี้ไปเจอนั้นทางออกนั้นไปเจอนั้นทางออกทางตาไปเจอรูปทางออกของจิตทางหูไปเจอเสียงเป็นต้นเนี่ยมันเป็นทางออกไปเจอไปเจอจิตนี่ไปเจอ เครื่องมือันนี้สําหรับนั้นเครื่องมือนั้นสําหรับนั้นเครื่องมือนั้นสําหรับนั้นเท่านั้นก็เหมือนเครื่องมือทํางานเหล่านั้นสร้างบ้านสร้างเรือนจับขึ้นมาสิวนี้สําหรับนั้นขวานสําหรับนั้นรสว่านสําหรับนั้นเครื่องมือนั้นสําหรับนั้นสําหรับนั้นไปเขาก็ไปจับไปจ่อใส่ตามความต้องการของนั้นอันนี้ก็เหมือนกเพราะว่าลงไปแล้วก็เท่านั้นเองอันห้าง แล้วลงความรู้เป็นความรู้ไม่ไปสับสนรุนแายกับสิ่งอะไรไม่มีอะไรมาสับสนรุนแายกับความรู้นี่แล้วเป็นความรู้ล้วนๆมัน เ, เป็นอย่างนั้นผิดอะไรร่างกายนี้กับท่นไม้ท่อนฝืนนั้นมันผิดกันอะไรไม่ได้ผิดกันอันที่จริว่าความรู้นี่มันครอบอยู่รับผิดชอบอยู่มันต่างกันเท่านั้นเองคุมด้ยวยองเครื่องมือยังใช้ได้ใช้ไปนี่า น, นั้นพอ ความรู้นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันก็เหมือนไม่มีโลกเ ย, ายาธรรมาเหตุปปาวาเตยสั่งเหตุตุลธ า, ธาตุโตซึ่งมากะก็พระบ า, ารหันพูดนี่พระสัชชีเป็นพระบรหันทั้งองค์เยธรรมาเหตุปปาวาตยสั่งเหตุตุาาตธ า, ธาตุโตเตยสั่งจากโยฮิลุโทจากไอวังวดีมาห้าสมณะทำร้ายเกิดจากเหตุ เมาาื่อจะดับเพราะว่าดับเหตุก่อนอะไรเป็นเหตุก็กิจเป็นมหาเหตุตัวมอยู่ชากหลังขุงกิจจะคืออะไรก็พูดแล้วแต่ินดับดับเหตุก่อนอ ม, มหาสมบัของเราสอนอย่างนี้ทันวันอย่างนั้นซึ่ง การต่อสู้วิเลตการต่อต้านี่เลตต้องถือเป็นงานสําคัญจําเป็นเราสุดชีวิตเราพูดง่ายๆพูดอื่นผมก็ไม่ทันสนิทใจแต่ว่าจนชีวิตเขาแรกว่าถึงใจนะเพราะเคยเชีวิตเขาแรกแล้วนี่ทุกข์กับทุกขก์แต่ว่าทุกข์อันนี้มันคุ้มค่าไม่เหมือนทุกข์หาหัวหาท้ายไม่ได้ หาต้นหาปลายไม่ได้มั น, นทุกข์ที่กิเลสบีบบังคับให้เกิดทุกข์มันหาต้นหาปลายหาที่ยุติไม่ได้ทุกอยู่ตลอดอันนี้ทุกข์มันมีต้นมีปลายเอมีที่ยุติเวลาต่อสู้ค่าศึกยังมีอยู่ก็ฟาดกันลงไปลงไปเพราะค่าศึกเปี้ยงไปแล้วมันจะไมีทุกข์มาจากไหนนัมันมีที่ยุติทุกข์กันแ น, น่เหมือนทุกข์ที่ ตายกองกันอยู่ในวัฏตะหาทางออกมาได้ทุกอันนี้พี่เลอกไม่มีเงนตนเงื่อนปลาเลยทุกเพราะความเพียนนี้มีเมันถึงข่าวของมันถึงระยะของมันที่จะทุ่มมันต้เป็นของมันเองมันทุ่มหงทุ่ ม, มนงชีวิตมันไม่ได้อะไรเสียดาย มันเป็นมันไม่รู้กี่ครั้งเหมือนเวาเขาไปเจอฆาสึกมันเป็นอย่างนั้นพอไปเจอค่าสศึกแล้วก็ไม่ตายก็ให้ชนะเท่านั้นถอยไม่ได้เนี่ยนั่นที่มันฟาดกันตรงนั้นเองเอาโรค่าสศึกเขาก็ต้องเอาชีวิตเขาแรกเนี่ยนี่เราเราก็กิเลสก็ขึ้นเป็นค่าสึกอันหนึ่งเราก็ต้องเอาชีวิตเขาแรกถึงวันละพอไปเจอเขาก็ใส่กันตายก็รู้ไม่แตกก็รู้ สุดท้ายอยากพูดเต็มปล่ากิเลสมันตายเราไม่เห็นตายวะเน่ยพระพุทธเจ้ากกิเลสตายเพราะเพียงแค่สลบชนนั้นสุดท้ายกิเลสตายดึงท่านยกองคเด่นๆมาเช่นอย่างพระสุณะท่านก็เพียงฝ่าเท้าแตกเตะกับกิเลสฝ่าเท้าแตกท่านเตะกับกิเลสเป็นฝ่าเท้าแตกแต่กิเลสตายนะ่ ถ้าจักขุบานก็ฟาดลงกับิเลสจัจกสุแตกแต่กิเลสตายแน่ไม่ยินว่าท่านล่า น, นี้ตายยังมากออกเพียนจักสุแตกพระพุทธเจ้าก็สลบต่กิเลสมันเลยสลบตายนี่ถ้จาจักขุบานเขาเตะกิเลสฝ่าท้าแตกิเลสตายท่านเดินจนกลมจนฝ่าท้าแตกเขาสูญลนะ น, นี่ในท่านเดินคนเป็นป่าเท้าแตงนี่ถ้าเราคิดไปทั่วๆไปนี่อาจจะคิดโอ้โหท่านความเพียนทั้งด้านจริงเติบเป็คนเป็นฝ่าเท้าแตกเกงจริงเรื่องความเพียนของท่านแต่ความเพียนสัมพยุตไปด้วยสติปัญญาอัตโนมัติน่ะไม่ใช่บังคับกันเดินที่จนฝ่าเท้าแตกนะตามความแน่ใจของผมไม่ว่าความรู้สึกหรือว่าแน่ใจเลยพอถึง ความเามื่อถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีกลางวันกลางคืนมันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่กิเลสกับจิดหมุนกันฟัดกันอยู่นั้นมันจะไปดูเวลามีลาไปสนใจกับเวลามีลาความเจ็บปวดเจ็บร้อนอะไรที่ไหนมันไม่ได้สนใจนี่แล้วก็เคยเป็นมาแล้วนี่ดูดูดูดูฉันทำงานเสร็จแล้วไปเดินนี้กล้องน้ำมันจะฉันเลยมันยังอยู่ได้เฮ้ยไปสนใจอะไรก็มาผูุหลี กับน้ำกับท่าเลยไม่ได้สนใจฟดเป็นเงินมันลืมทิดไปหมดเน่ยว่ะกลางวันแจกแสกเดินอยกลมตากแดดได้อย่างสบายพับท่ า, าอาบน้ำโพกทิษาและมัดติดคางเ่ยวของเลยเรื้อยตาเดินกมมอยู่กลางตากแดดนั้นไม่มีร่นไม้เลยนะฟ้าดินมันลืมหมด อิดหิ้วเมื่อยล้าลืมหมดอมืน้ําท่ามันไม่ได้สนใจเลยลืมหมดเพราะมันไม่มีเวลาที่จะออกมาสู่ภายน อ, อกจิตน่ะมันหมุนวันเดียวิ้วเดิเดนนกกรมนึกโอ้แต่คนสมมติมีคนมานัอมดูเราเขาเจะว่าถ้าอันนี้เป็นบ้าหรือไง น, นี่ผูจชมว่าคือเดินจิตมันไม่ออกนจิตมันหมุนดูข้างในนี่ิ้วทีนี่มันกระโซกัตเสเข้าป่านะ โคมค้างป่าเรารู้สึกอยากเดินมาเข้าป่าถอยออกมาเดินไปหมุนกันอย่างนี้แล้วเข้าป่านู่นนี่อย่งเง้ยมันก็เดินได้ทั้งวันนะพอเดินคนเดียวนี่ใครจะมาว่าเป็นบ้าอะไรไม่สนใจดีกว่ามันโคมคํางมามันก็เดินทั้งวันได้บางทีก็ยืนระยะยืนที่เป็นชั่วโมงมันก็ยืนยืนถึงขั้นถึงระยะที่มันจะยืนมันทัาคงไปเป็นทั้งวันเองยืนก็อดพิจารณาจนได้ถอยได้ความชัดเจนแล้วมันถึงจะก้าวเดิน แล้กล้าเดินกันอย่างนั่นนะชนป่าชนน้าไปไม่ทราบมันก้าวไปทางไหนขาเลยีมันไม่ได้สนใจกับขามันสนใจกับอะไรอยู่กับกิจเนี่ยมันหมุนอยู่ตรงนี้ฉันจะหันอยู่มันก็มาอยู่กับอาหารนะมันอยู่กับอันนี้เนี่ยในเวลาถึงขั้นมันมันตะลุมบอลมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันจะเผลอไปไหนนั่นฟังสิจัดอาหารจัดอะไรแล้วจัดสงจัดอันนี้มันทําหงุนต้อมันอย่างั้น นี่มันเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ว่ามันเวลามันหนาแน่นในจิตใจขอเราทำอะไรก็ตามมันก็คิดทุกมันเป็นเรื่องของกิเลสของมันอยู่นเรื่องของมันอย่างนั้นมันเป็นอัตโนมัติทั้งหมดพอถึงขั้นทำอัตโนมัติของทำมันก็เป็นอย่างเดียวกันดังนั้นมันไม่ทันกันถึงกล้าพูดได้ว่าตั้งกระตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่ขนาดไหนว่าปมันเผลอไปขนาดไหนมันไม่มีมันจะมีได้ยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดโดยอัตโนมัติทั้งหมดเองไม่ต้องบังคับ เนื่อเมื่อถึงขั้นมันเป็นของมันแล้วตามันก็ไม่ถอยคำว่าแพ้มีได้อย่างไรมีไม่ได้ตายแต่ตอนนั้นไม่ตายให้รู้เท่านั้นมันแข็งเก่งมันอยู่กับจิตอะไรก็ยมันหิวมันโหยมันอะไรมันอยู่กับจิตเพราะจิตได้เข้าตะลุมบอนกันเน มันลืมไปหมดทีนี้เวลากลับมาที่พักนะพอมามองเห็นการน้ําผมยังไม่ลืมนะอูห้หมันจะโดดจากการน้าเลยนะมันจะตายอือลินน้ำจะจะจะไม่ไม่ทันนะพอใส่เข้าไปลืมลืําลักก็กกระมั น, น, นจะตายอ็โหมันหิวขนาด น, นั้นนะเวลามาเห็นการน้ำํำบวชไปทำมงเบียนอยู่คนเดียวไม่เห็นสนใจมา นาทีผ่านมาเห็นการน้ามองเห็นการน้ําเท่านั้นแหละมันจะโดดเข้าไปเลยเลยมันจะตายอ่ะพอดื่มน้าเข้าไปนี่ก็มันกืนด้วยความอยากความหิวจะตายมันกืนลงไปอย่างไม่ไม่อั้นสํานัก น, น้ำกักับกับกับกับคนตายไม่ลืมนั่นเวลามันเป็นเต็มที่ของมันอย่างนั้น มันก็วิตวิจารนี่องนึ่เราคิดไว้ว่าจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไรความภาพเปลียนก็จะค่อยสะดวกสบายงานการก็จะแคบเข้าไปแจ็เข้าไปสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆเลยๆทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้นักดูที่ความคาดความหมายเราคาดหมายกับความจริงมันเข้ากันได้ไหมล่ะเราคาดว่าอย่างนั้นเราคิดว่าอย่างนั้นจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งจะมีความสะดวกสบายเรื่อยๆเลย วางั้นะแต่ขั้นแล้วไม่เป็นอย่างนั ometer, ้นเนี to to that, ่ยทีเรียกกระบาดใจมันยิ่งหมูนในงานนี่มัหมุนติ้วติ้ติ้วติจนในคิดอ่าเมื่อไหร่มันจะไปยุบกันลงทีให้สะดวกสบายทีน้าทาไมต้องกตื่นขึ้นมาทีละท่านหลับมันถึงหมุนกันดีติ้วติ้วติบางคืนยังไม่หลับและด้วยซ้ําไปมันนอนอย่างเมื่อไหร่มันมีความสะดวกสบายทีน้ามันลําพึงขึ้นชั่วขณะเท่านั้นนะ พอหยุดที่ปัม้มกับหมุนตีอยู่แล้วหมุนตีอยู่แล้วเหมือนเมว่อท่า น, น, นามันไปหมดกําลังมันแล้วไม่ต้องบอกอที่มันหมุนตีอยู่แล้วมันหยุดทั้งมันเอง <c oughs> แบบเสื่อสาส์ดจริงทําไมเป็นอย่นี่ทีนี้เป็นอย่างนี้หรือทีนี้สติปัญญาที่มันหมุนตีอยู่หายไปไหนหมดหายหมด หายทั้งสองอย่างอันสิ่งที่ต่อสู้กันก็ไม่ทราบไปไหนผู้ต่อสู้ก็ไม่ทราบไปไหนไปด้วยกัน น, นั้นก็ช่างมันเถอะวะมันทุกข์เพราะสิ่งเหล่นี้การต่อสู้ก็ทุกข์หาสึกงมาทำให้ทุกข์ น, นั่นเดินโยกงอสืส่อสาสาไปจะเห็นจริงก่าวเล่นกินขล่าวจ้ะ น ก, กเล่นกับนกเนี้ย อ, อสัตว์ตัวไหนก็เล่นกับมันไปเพี้ยไปงั้นใชมันไม่ใช่เดินจงกรมไปก็ไปยืนดูพิจารณาสัตว์อะไรองเงี้ยมันต้องมีเรื่องของมันนะมันไมใช่เป็นแบลซเตอร์ด้วยจริงๆดูกิต ด, ดวงนี้น่ะมันยังเขากินนะมันเป็นได้ทุกอย่างอำนาจของธรรมชาติอะไนี้มันกฝังไว้หมด ไปกำังอำนาจไปหมดไม่ว่าจิตสัตว์จิตบุคคลจิตสัตว์น้ำสัตว์บกปุ่นฝ้าอากาศกายทิพย์กายหยาบกายละเอียดจิตละเอียดกว่านั้นกิเลสมัละเอียดกว่านั้นมันติดพันกันไปได้เนี่ย น, นคิดตัวมันเองนะมีเท่านี้ตัวมหาเหตุพูดยังไงเอาอย่างนั้นเลย มีนปนันไล่หมาแล้วไม่ีอะไ ร, นนะไรมาเกาะไปดูไปแล้วถ้า ไ, ได้อะไรก็การดูอเมืม่อแจ้งมันก็บีแต่เราจะไม่เกิดมนจะเา้าใครจะเอามื่อเอาเอาแจ้งไปเป็นสมบัติของตนได้ใครจะเอาดินฟ้าอากาศแผนฟ้าแผ่นดินนี้ไปเป็นสมบัติของตนได้เนี่ยวัตถุทั้งหลายที่มองเห็นเกลื่อนอยู่เต็มโลกเต็มือสาร ให้เราไปเป็นสมบัติของตนได้เนีมันเป็นต่างอันต่างนี้ต่างอันต่างที่มีต่างแล้วแต่เราพระชาติรัของมันดังนั้นมาแต่ไหนแต่หลาย้งแต่เรายังไม่เกิดมาก็มีแต่อันนี้เป็นเป็นบังคับให้นั้นเป็นนอนนี้เป็นของเรากว่าต้อนเข้ามาจะตายยังไม่ว่านะถ้าเป็นแบกก็หลังหักแล้วยังจะแบกกบพตะพือไม่ยอมว่าหนักที่เลือสมันไม่ ไม่ยอมให้ว่านหนักบังคงับหมเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจริงโลกมาก ม, มรู้จักตายคือมนุษย์เ อ, อ, อพูดตามโลกสมมติยังยทั่วไปก็ว่ามนุษย์นี่ฉลาดกว่าสัตว์อ้อพูดตามหลักธรรมพุทเจ้า อ, อย่างแท้จริงเพื่อจะปากที่เด็ดแล้วไม่เป็นอย่างนั้น มนุษย์นีใช้ได้คล่องตัวที่สุดพิเ่นใช้ได้คล่องตัวที่สุดพิเเชื่อมสอนได้ง่ายกว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นี่โง่กว่าสัตว์ต่างหลายมากไปเงี้ยนี่ให้ไปกั น, นควรจะฉลาดเน้ยยังกลับกเอาความฉลาดของมันมาใส่เข้าไปอืควรจะเอาเอาความฉลาดของธรรมเข้าไปแทรกแล้วมนุษย์นี่มันยังไม่ได้เลือกนี่ยมันแยกไปแั้น สู้สัตว์ก็ไม่ไสาก็ก็อยู่ตามภาษาคือว่าสาก็เป็นอย่างมนุษย์เรานี่นะมันควรจะมีความฉลาดเพราะตามหลักธรรมชาติมนุษย์ก็ฉลาดดีแล้วควรจะหาความฉนาดอันแท้จริงอันถูกต้องอันเป็นสาระกลุ่มเข้ามาแทรกหัวใจบ้างอันนี้กลับไม่แทรกกลับเอาความฉลาดอันนั้นเข้ามาครอบฉันหมดโลกก็ไม่เกิดไม่มีใครเกินมนุษย์ โล ก, ก, กมันจนจะเก็บของจตายังไม่รู้ตายแล้วก็ม า, มาสราบว่าเอาอะไรไปนี่นานี่นม้แต่ร่างนี้กูเขาจะเผาไม่เผาสังไม่สังทิ้งไว้งั้นมเมื่อวันมันจะมาไต่มาตอนแล้มันก็ไม่มีทางที่จะได้ไปแล้วนีนามันถึงฐานนึงมัน <No. S 2> ธรรมชาตินี้มันละเอียดจริงๆนื่นอาจรู้มันได้เลยทามันแค่วิชาธรรมไม่เห็นนะมีวิชาธรรมเท่านั้นที่จะมองเข้าไปเห็นและทำลายมันได้โดยลำหนับจนกระทั่งสิ้นทราบไปไมีธรรมเท่านั้นไง การภาวนาก็มันก็มีเครื่องเกี่ยวข้องหลายประการที่จะให้ความสะดวกก็มีให้ความขบขากขาก้าวให้ออกก็มียิ่งต้องใช้หลายสันหลายคมเกี่ยวข้องหมู่กับเพื่อนไม่งั้นก็จะไม่รู้เรื่องนี้เราหยิ่งวัดภาวันตานรู้สึกจะอุดมสมบูรณ์ปัจจัยทั้งสี่เราจะว่าอุดมสมบูรณ์ไม่ผิดเราพูดได้เต็มปากเพราะเคยไปมาแล้วนี่ ถาว่าเราไม่ไม่เคยเรามาเจอแต่อย่างนี้ทีเดียวเราก็ยังไม่กล้าพูดมันสมบบุกนี่เราก็เป็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วเคยอยู่กับครูวายการท่านพาปฏิบัติมาแล้วน่งยิ่งพ่อแม่ครูวาจารท่องอยู่ ในป่าในเขาเโอ้โหเวลาท่านเล่าให้ฟังแต่ไปมันไปสัมผัสท่านถึงเล่านะไม่ใช่ท่านตั้งเอามาเล่าเฉยๆนะเวลาพูดไปสัมผัสต้องเกิดความสูตรสองเงินเราได้บ้างแทนฉันหารที่เป็นเดือนนะฉันเข้าป่าเันทันว่าพราเขาเข้าใจว่าพระกรรมฐานนี่ฉันแต่ถั่วแต่งาไม่ฉันไม่ฉันป่าไม่ฉันอะไเขาก็มีถั่วมีงาเขาก็เอาตะเข้าป่าให้ฉันฉนพู แ ล, แล้วก็ฉันนั่งกนเราหาอย่างนั้นอีกทันว่าเนี่ยภาวนาดีตัวเบามันจะกินได้มากไรมีแตเข้าวเปล่าเป็นว่าภาวนาตัวเบ า, น, บานั่นบางทีไปเข้าไปเดินจากวันนี้ไปบ้านนั้นตปหมู่บ้านนั้นตะก่อนบ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้เดินตั้งวันมันก็ไม่เจอหมู่บ้านว่างหลงทางทางขงช้าง โอ้ยนอนอยู่จมอยู่ในป่าหว่าฟัางดีไม่ได้กินข้าวของมีเกาเคยอดอยู่แล้วหลุกตุ ก, ก, ก, ก, กยิโตอะนไรเนี่ยฟังสิเราจะหาภาวนาเดยนะเราไไม่ได้หากางังวลกันหว่ะคว า, ากังวลเรื่องี่เดสเราจะฆ่ากิเดไปกังวลมันอะไรหว่าไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาอดอดหลักแบบยากทั้งนั้นแหละคุณผู้นี่ทำท่านสิอังสิ ทำาอน้นาวท่านจิตใจสงบผ่าเผยทำเจริญในที่โอนยาขาดแคลนไม่ได้เจริญในที่สมบูรณ์ภูมิลผลอะไรรือไม่ได้ติดปัจจัยสีซึ่งเป็นเครื่องเพียงอาศัยแล้ว ก, กลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาทำลา ย, ลายจิตใจเราให้แหลกจะได้เพราะฉนั้นการฝึกฝนอบรม เจ้าของจึงต้องมีการเล่ความลำบากลำบนบที่อยู่ที่อาศัยบ้างเนือปัจจัยเครื่องอาศัยบ้างด้วยความเพียรบ้างบวกกันเข้าก็ต้องทุกข์เพราะจะหนีจากทุกข์เอาทุกข์แก้ทุกข์ใหทุกข <c oughs> ์กอันหนึ่งเป็นทุกข์กิเลสสร้างขึ้นมาทุกข์อันหนึ่งเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะทำเพราะการบำเพ็ญธรรมฝ่ายนี้ได้เป็นผลดี ฝ่ายนี้เป็นทางให้ประเสริฐเป็นทางให้ดุดพ้นยอมรับทุกทางนี้มากกว่าจะยอมรับทุกทางนั้นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติต้องคิดยากคิดยาะหลายสันหลายขบจึงเรียวกว่าปัญญาไม่งั้นหาทางออกไม่ได้เลกปัญญาเป็นสาคัญทิ้แงแพงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวนนี่ยิงลอยล้อเข้าไปลอยล้อเข้าไปวตวนต้องกรรมาฐาน เลยเป็นตาเน่ามันไปนขายในตลาดลาดเล่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงก็ไปนะออของยีเรกถ้ามันมีในจิตแล้วมันลืมตัวง่ายๆคนมานับหน้าถือตาเขาล้มลมใสเลยลืมตัวเึ้นกินเหนียวติดหัวว่าตัวบีงอ่อนไปแล้วนะนี่เนี่ยมันตาย ผึ้เห็นทเป็นของแบบประหลาดอัศจรรย์ภายในใจิตใจแล้วท่านไม่หลงท่านไม่ตื่นมีแต่หาวิธีการหลบหลีกปิดตัวเท่านั้นจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้แล้วนั้นก็ยิ่งรอบครอบควรจะสงเคราะห์ใครมากน้อยเพียงไรท่านก็รู้ประมาณของท่านเองท่านไม่หลงท่านไม่ตื่นผู้ชนั้นแล้วท่านเป็นผู้ แน่นอนร้อยปสูตในการปฏิบัติต่อชุมชนประชาชนหนักเบามากน้อยอย่างไรท่านรู้กันเองท่านไม่ถือใครเป็นประมาณท่านถือธรรมเป็นประมาณเหมาะสมเพียงไรกําลังบางชางท่านเหมาะสมเพียงไรท่านก็รู้ท่านเองเพราะท่านไม่ถือโลกรมิตมาเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจท่านท่านไม่มีโลกรมิตติดหัวใจ มีแต่ความเมต่าสงสารที่จะส่งข้อสงสารด้วยมากน้อยเท่ไหร่ท่านก็ทำไปความพอประมาณพอประมาณท่านมีอยู่ประจําใจของท่านท่านไม่ลืมตัวไม่ลืมทําจะไปลืมตัวอะไรคนลืมทําก็ลืมตัวกันนั่นเลยสติกําลัง อ, อย่างน้อยสมมุติ สบายสังเกตดูเจ้าของให้ดีนะสิ่งเกี่ยวข้องเขาเจ้าของมีอะไรบ้างทําให้ืออาดเหนื่อยนายทําให้ราช้าทําให้ไม่สะดวกสบายในกิจตพราหมีอะไรบ้างถึงที่ทุกข์ก็ทนเอาเมื่อเจ้าของรู้เจ้าของว่าสะดวกในแง่ใดทุกข์ก็ต้องยอมทนเอาบ้างเป็นธรรมดาไม่งั้นมันไปไม่ได้เพราะกิเลสมันรอบด้านในหัวใจเรา ขยับออกช่องไหนค่นมากมีแต่กิเลสเท่านั้นเมื่อสติปัญญายังไม่ทัานมีแต่กิเลสแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสสิแต่เมื่อสติปัญญาทันมันถึงจะรู้และรู้นะแยกมาตรงไหนมันรู้ฟันกันแหลกฟันกันแหลกไปเลยเมื่อถึงขั้นมันรู้แล้วปิดไม่อยู่จริงจริงอ่ะมันจะออกมาแง่ไหนมันรู้กันทันทีทันทีทันทีฟาดกันฟันกันแหลกแหลกแหลกจกระทั่งมันมอบอย่างว่านี้ หมอบแล้วยังไม่แล้วยังต้องพุ้ยขีย่หาอีกไม่หยุดไม่ถอยอื่ที่มันหมอบกับกลัวมันหมอบลบฉากนั่นแหละอย่าเข้าใจมันกลัวเราเลยมหมอบหลบฉากอถามที่เหลืเป็นอย่างนั้นฉากธรรมะเป็นยังไงก็ตามกันจนเตอกันฟาดกันเรื่อยหลายครั้งหายนสุดท้ายนเจอปู่ย่าตายายอะไี่วิชาปัญญาสร้างฆาลาเอาแห ล, ลก เจ้าโคดมันหมดแล้วมันแค่นันนน้นแหละที่มีเอาให้หมดเจ้าโคดทั้งโคดรมันมีอยู่มันแตกรูปแต่กหลานมปเลยมีโคดนี่วะมีโคดมีแท้อามันแหลกทั้งโคดทั้งแท้แล้วมหมดปัญหาสบายแสนสบา่างนสนุกดูเกลเล็ดที่มันไม่มีสมมติมันไม่มีในหัวใจเรามันก็มีอยู่ในสัตว์ในบุคคล ไปนัันก็เห็นหมดเกลื่อนมอนมันแสดงกิริยาท่าทางอะไรออกมาปิดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นอ่ะอันี้ก่อนความต้องสารมันก็เป็นขึ้นมาพร้อมกันคนหนึ่งไม่รู้คนหนึ่งรู้แจะนอนในถ้าเสือเสือคํารามฮืมๆว่าเพราะว่าคนร้องเคลงให้ฝั่ง <laughs> พวกเราพวก นอนอยู่ในถ้ำเสือเสือกำลา ม, มันจนึงกืนหมดทั้งตัวยังอ๋อเพ่งนิเพลาละเพราะพลิ้งมากเลยแหลเพ่งนี้มาจากไหนนา่าหัวเพ่งเสือมันกําลังหัน่นหอมหั่นกระเทียมเยมู่แลกระหึมกระหึมยังเข้าใจว่ากเขาขอล่องเพ่งนี้ฟังอืมวิเรียกมันกล่อมคนกล่อมอย่างนั้น พระละตงเลยถ้านญจะมีอะไรจะพูดให้ผมเว่นฟังอีกไหมตอนที่ผมพูดนี้มีบ้างป่ามีก็พูดนะลืมไปแล้วว่าเอาล่ะ ไ, ไ, ไปกันทีนี้ก็นีมีแล้วก็พูด